ถ้าฟังอะไรก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเขาวิจนามันมากเกินไปสังเกตดูดิคนเหนื่อยหลายต้องนั่งต้องเอนต้องหลับต้องอะไรของมันีนันก็ฝึกนวดตัวเองก่อนทำให้มันดีปรับอินซีให้มันแข็งกล้าขึ้นมาคือพร้อมทีกก่จะปฏิบัติแต่วันเรื่องเน่มันจะง่วงจะเงานั่งไม่ค่อยได้สู้ทนเห็นไหม พอพระหันหลังให้หน่อยแล้วแต่คนจะเป็นไปดี่ขดท่า น, นก็ฝึกฝืนปรับเอาก่อนนั่งสร้างจังหวะสักวันสองวันสามวันความห่วงความเมาจะเริ่มคลายเริ่มหายเริ่มดีขึ้นแต่คนที่ไม่จักฝืนทิฏฐิมานะมากก็คงจะหลุดหล่นไปตามเรื่อง คืออย่างเราที่สวดมนต์เนี่ยบทส่วนบนทั้งหลายคือคําสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่เข้าใจเรามาใช้ไม่เป็นเรามาสแสวงหาพุทธะนะแต่เราก็ไม่รู้จักพุทธะทั้งที่เราสวดพุทธคุณธรรมคุณลักษณะสังขะลักษณะเราสวดทุ้วันแต่เราก็ไม่เข้าใจเวลาเป็นทุกข์มาเราดูไม่ออกหรือเรามาหาธรรมะ เราก็ไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรแล้วมันง่วงมันเหามาแล้วก็ง่วงเหงาเวลาเจ็บปวดแบบเยบปวดเวลาเมื่อย เ, เมื่อยนี่อเรา เ, เ, เข้าไปสู่ความเป็นกระบวนการของอัตตาตัวตนไปหมดนะชีวิตนี้ทีนี้ปฏิบัติทำเลยกว่าจะถอนความยึดติดความเป็นอัตตาตัวตนออกมาเนี่มันยากนะอย่างง่ายๆในเบื้องต้นท่านสอนว่าร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจงเป็นอนัตตาอันอนี้ มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นอนิจจงเป็นอนัตตาเป็นทุกขังเนี่ยรูปังอนิจจงรูปังอนัตตาว่ายังไงก็ตามเวลาเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราดูไม่เป็นเราดูไม่เป็นเราดูไม่ออกว่าอนิจจ์ <c oughs> ยังไงเป็นอนัตตายังไงไม่รู้เรื่องทุกข์ก็คือทุกข์กูก็คือกูนะเวลาความคิดเกิดขึ้น มันอืดดาดมันงนเยิดเนี่ยมันก็ไหลไปทำกระแสฉนั้นพุทธพจน์เนี่ยบางทีไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยส่วนมนต์ทำให้เราดีขึ้นไม่เพราะมันไม่รู้เรื่องเพราะว่าขบวนการการฝึกฝนจิตที่จะทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีน้อยชั่วโมงบินมันน้อยความรู้ตัวทุกขร้อนมันน้อยมันยังไม่ค่อยมีงนั้นก็อาศัยการทำมามากมาปฏิบัติธรรมคือมาทำ แต่มาคนที่มีความรู้สึกว่าต้องมีฟังมีโน่นมี น, มนี่จริงๆการปฏิบัติธรรมคือการทาการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละถ้าต่อสู้ได้ก็ถือว่าเราบรรลุเป้าหมายไปแล้วแต่เวลาให้ทาจริงๆมันสู้ไม่ค่อยได้เราแวสวงหาความเป็นพุท ธ, ธสภาวะในตัวเราเพราะว่าเราถ้าไม่มีพุท ธ, ธออกมาไปใช้งานเนี่ยชีวิตเราก็ถูกครอบงาด้วยทุกข์ ดังชีวิตนี้ต้องเป็นชีวิตที่ที่มีพุทธลักษณะหรือมีภาวะของความรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในตัวพุทธโธ ร, รู้ตื่นเบิกบานชีวิตเราเป็นยังไงมาเนี่ยมันรู้ไหมมันตื่นไหมมันเบิกบานไหมตูนตื่นเบิกบานด้วยธรรมด้วยธรรมก็คือสภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตจิตดวงนั้นจะต้องเป็นจิตที่ห่างไกลจากกิเลส ห่างไกลจากความคิดห่างไกลจากเวทนาเพราะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเรามันหมุนไปตามสัจจะสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยธรรมชาติมันแหะแต่เราก็ไปยึดว่าเป็นของเราเราห่วงเราเงอเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเบื่อเป็นไหน่ายเป็นคิดเป็นอยากพวกเราเองเป็นโมดเลย สัมมาสัมพุท ธ, ธะจะต้องรู้ได้ดูตัวเองไม่ใช่รู้ตามเขาพูดนะั้นไม่ใช่ได้ยินเขากล่าวแต่จะต้องเกิดขึ้นด้วยตัวเองแล้วเป็นภาวะที่ถูกต้องธรรมะที่เกิดขึ้นในตัวเองจึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องธรรมะที่ยินได้ฟังมาเข้าใจมายังไม่ถูกต้องความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นวิชาส่งผลต่อความเป็น ผู้ปฏิบัติดีความรู้ที่เกิดขึ้นจะไปปรับพฤติกรรมในชีวิตของเราเองได้ด้วยเป็นวิชาจารณะสัมปนูสุขโตไปที่ไหนก็งามคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีความงามมีอ า, ารยะเหมาะสมเราแปลว่าเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วไปที่ไหนก็ดีไปที่ไหนก็งามไปที่ไหนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่าย วางง่ายสอนง่ายโล ก, กับวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเข้าใจโลกที่มันเป็นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงก็ปล่อยวางได้เข้าใจได้ไม่ยึดติดเพราะเข้าใจว่าโลกทั้งหลายทั้งปวงก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนะมันเป็นเช่นนั้นเองของมันไม่ใช่โลกข้างนอกนะโลกกว้างสองยาวานะคือเป็นแบบนี้ถ้าเข้าใจโลกพวันนี้ก็จะเข้าใจโลกทั้งโลก ถ้าไม่เข้าใจโลกใบนี้ไปเข้าโลกใจกเข้าใจไปโลกข้างนอกกว่านเนี่ยมันจะไม่เข้าใจโลกอันนี้ถ้าเข้าใจโลกข้างนอกเข้ามาจะใช้เป็นระบบของตักกะเป็นการเปรียบเทียบเป็นการคำนึงคำนวณเป็นนยะเหตุนะฮะเป็นการตรึกเอาตามอาการน่าจะอย่างนั้นธรรมะน่าจะอย่างนี้แต่สัจธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยจะต้องมองออกจากข้างใน เห็นจากข้างในออกไปข้างนอกถ้าเห็นออกจากข้างในไปข้างนอกมันจะเป็นการเห็นแจ้งแต่ถ้ามองจากข้างนอกแล้วเปรียบเทียบเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นตรรกะกังนั้นต้องมองผ่านจิตของเราออกไปเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมชาติที่จิตเห็นโลกก็หลงก็เห็นที่ใจเนี่ยไม่ใช่เห็นที่ว่าเราเมงวัตถุอันนั้นอันนี้จากข้างนอกต้องมองจากข้างในอนุตตรโภปิสธรรมสาลถี สทัทธาเทวมนุษย์สานังพุโุบะควาพุทธะเนี่ยคือสภาวะที่ฝึกคนได้ไม่มีอย่างอื่นฝึกกว่าถ้าเอาวิ ช, ชาอื่นมาฝึกเราอย่าเราไปฝึกเรียนรู้วิศวะเรียนแพทย์เรียนหมอเรียนกเกษตรกรรมพาณิชยกรรมบัญชงบัญชีอะไรน่าเนี่ยถามันช่วยเราพัฒนาขึ้นได้ไหมไม่ได้วิชาอันนี้เหมาะสมที่สุด วิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ดีที่สุดอนุตรังพุญยัเกตเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตที่คนทั้งหลายควรฝึกฝนจิตตัวเองเพราะนี่คือแก่นของพุทธธรรมอันนี้คือแก่นของชีวิตมนุษย์เราหายเห็นตัวเราเองเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีคือเป็นความรู้เป็นขุมปัญญาอันมหาศาล ที่จะนำพาชีวิตเนี่ยไปสู่ความไม่ทุกข์วิชาเสร็จเลยทุกเหมือนเดิมแต่วิชาเนี่ยไม่เป็นทุกข์มีความรู้สึกพร้อมต่อการเจ็บการตายวิชาอื่นพร้อมไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ยมมาทูตเข้ามาหาเนี่ยรับไม่ได้เทวทูตมาเยี่ยมรับไม่เป็น เียบไข้หน่อยป่วยหน่อ ย, ย, อยแก่หน่อยอึดอัดหน่อยพลัดพรากรับไม่ได้แต่วิชาเนี่ยเป็นความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นอนุตรังปริสธรรมมัสสาลถีสถาธิวมนุสานังนี่แหละเ็าเรียกว่าพุทธโธภควาติวิชาพุทธะแห่งการรู้ตื่นเบิกบาน ถ้าใครเรียนรู้วิชานี้ถือว่าสุดยอดของการเกิดมาเป็นคนผู้ศาสนาพุทธธรรมไม่ใช่เรื่ององมงายพุทธธรรมไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องคลัง่งแต่พุทธภาวะเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตมนุษย์ถ้าไม่อยากโกรดไม่ยุ่งงิดไม่เบื่อไม่นายต้องมีอันนี้ ในสติปัฏฐานสูตรนะการฝึกพุท ธ, ธะคือฝึกความรู้ตื่นเบิกบานตามหลักขั้นตอนตามหลักสติปัฏฐานคือฝึกสติให้รู้อยู่กับฐานกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่เอาสติไว้กับฐานทั้งสี่ถ้าสติอยู่กับข้างนอกไม่อยู่กับฐานนี่เขไม่เรียกว่าสติปัฏฐานไม่เรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อไม่ใช่สติปัฏฐานก็ไม่สามารถที่จะทํางานในการดับทุกข์ได้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า สติปัฏฐานอย่างการรู้กายรู้กายเมื่อไหร่รู้กายอันนี้จนทั้งมารู้จนทั้งมันรู้ทุกมันหลุดไปอย่างกาลังง่วงอยู่เราพยายามรู้รู้รู้ ร, รู้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อจนทั้งความง่วงหลุดพวกลอบอมีความาคิดเยอะรู้สึกตัวมากเข้ามาเขาอยูอ่ๆจิตเกิดว่างสว่างปโปร่ขึ้นมานั่นสติปัฏฐานปรากฏ ต, ตรงนั้น เ, เือคำว่ากายญานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายอวินนยยโลกเกอพิชาโทมันัซึ่ง เมื่อมันนำความพอใจและความไม่พอใจหลุดออกไปจากจิตนั่นเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเราทำทีแรกจนกว่าว่าสตินี้มันจะเป็นสมาธิบางคนมันไม่เป็นสมาธิได้จะรู้ตัวในน้อยแล้วก็ลืมรู้ตัวน้อยก็ลืมมันอนุภาพมันก็ไม่เยอะมันไม่มากการทำลายล้างกิเลสคืออารมณ์ที่รางกดข้างหนเนี่ยมันจะมีน้อยน้า ที่ ท, ทล้างที่ระยดระยดกับกันยกถังศาสต์ไปเลยเนี่ยมันจะคนละภาวะกั น, นถ้าศาสต์พัวเอาไว้มันจะออกไปได้หัวกระสุนแบบปลายแหลมๆเนี่ยเวลายิงอย่างสมัย ส, ยสงครามโลกสงครามเวียดนามเวลายิงค่าสือุ้งแล้วมันทะลุปไปเลยค่าสือยังสามารถวิ่งเข้ามาหาตัวเราเองได้เขาจะมีปลายปืนแหลมๆไง ะใะ้จ่วงแทงเพราะมันทะลุวิ่งเข้ามาหายังแทงเราได้งั้นเขาก็ผลิตกระสุนปืนชนิดหนึ่งที่ยิงป้ง๊มแล้วพันออกไปทางขวางนะแผลเข้าจะเท่ากับเล็กๆนิเดเดียวแต่แผลออกเท่ากับปัน้นเท่าลูกไข่คือต้านเอาจนถ้ามันหงายหลังไปนะเหมือนกันเรามาปฏิบัติทำนี้ก็เหมือนกันถ้ารู้สึกในน้อยเนี่ยมันแทงทะลุกิเลสอารมณ์ไฟต่าไม่ได้อเ น, นี้ย มันต้องมีมากมีคุณภาพรู้ตัวทั่วพร้อมเยอะๆเป็นทุกออกปึ้งออ ก, ปออกไปนจนมันหงายหลังแล้วเนะ่ะง่วงมาก็ล้มละเนแล้วะนาดไปเบื่อมาก็ล้มละเนแล้วะนาดไปถ้าเป็นอย่างนั้นพอได้ลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นมองไกลๆพูดทุวันทุวันนะมันก็ง่วงทุกวันนะแต่เวลาพูดให้โกรธเนี่ยมันก็จะไม่ง่วงเคยรู้สึกไมหมโกรธแล้วทาไมไม่ง่วง จะนั่งอยู่เฉยๆําไมง่วงไปหาคําตอบไม่ให้เจอถ้าเจอปุ๊บเราก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งแหละเวลามันเบื่อมันมน่ามเซง็งว่วงเงาเนี่ยถ้าสติที่เป็นสติทีจริงมันจะทํางานอันนี้นั้นอันนี้สองของการปฏิบัติทำอั น, นิี้สองของการฝึกสติโซ่กับบริเทวณังสมติกมายะเป็นการดับความโศกความรําไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลาย นี่เขาเรียกว่าโรคเรียกว่านามโรคในใจเรามีไหมโรคกันนี่มีทําไมมันจะไม่มีอ่ะมันมีมาตั้งแต่เกิดมาแล้วตั้งแต่จําความมาแล้วแล้วแต่ว่าคนไหนจะมีมากมีน้อยความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราเองแล้ว เ, เกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะเวลาใครว่าอะไรใครกระทบกระทั่งมันโศกมันเศร้า ม, มันเสียใจพี่ไรแล้วมันก็ไม่สบายกายความไม่สบายใจดูดิ ยายสัติคที่ขมายะถ้าเจริญสติเนี่ยท่านคุณท่านเราคุณเธอสามารถเกิดญาณยายสัติคที่ขมายะไอความทุกข์ที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเกิดกันกระจายตัวอย่างความโกรธเนี่ยไม่อไ่มันโกรธมันพุ่งขึ้นสูงมากโกรธจนหน้าดำหน้าแดงเกลียดชังเนี่ยเกิดอารมณ์เนี่ย ในเวลาพูดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะผมไม่ได้ทํานะอย่างนั้นเนี่ยมันจะทุกข์ทันทีอ่ะมันมีตัวมีตนไงเวลาเราพูดเนี่ยรู้สัวเรามีตัวเขา ว, ว่ากูนะเนี่ยกูเริ่มผิดนะกูไม่ได้ผิดนะกูทําถูกนะกูไม่ได้ทํานะมันจะมาทันทีเลยอัตตาตนมันเฉยไม่เป็นนะไม่ใช่กระทบหูแล้วก็ดับผ่านกรบหูแล้วก็ดับผ่านไม่เป็นนะว่ากูทําไมอย่างนั้นอย่างเงี้นนะบางคนเห็นพายเจตตัว แดงๆหน่อยมียุงบินผ่านตกใส่โอยถูกตายแล้วบางทีทุกเน้นอาศัยการสังเกตยายะสัตว์ที่กำมา ย, ยะมันทําให้ทุกนี่มันกระจายตัวแล้วมันอ่อนตัวเหมือนมันมีเลือดแดงๆติดอยู่ในแก้วน้นํานะเวลาหยดหนึ่งเนี่นราเทน้ำใส่เยอะๆยอะๆยๆเข้ามันจะกระจายตัวไปนั่นแหะนั้นความคิดนก็เหมือนกันความง่วงเข้มยังไงเอาจนฟัดจนเหวียงพอวางอันนี้พวกมันกระจายตัว อยาย่าเสดิกมายะความโกรธความเกลียดความชางังความรักรักลูกรักเลอเกินออกมาเนี่ยคิดถึงมันมนเนี่ยจะทำยังไงน้ะรักหัวรักเมียเนี่ยแล้วครอบครัวแล้วเพราะเจริญสติ ม, มากๆมันกระจายตัวไปเพราะมันเป็นอาการที่จิตไม่ใช่มันเป็นความรักที่บ้านที่เรือนที่วัตถุที่บุคคลไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เกิดแล้วมันมีอํานาจในการบีบคันจิตใจของเราอันเนี่ยตัวเราอยู่ที่นี่แต่มันกระดันคิดไปที่อื่นเนี่ย นั้นเวลาฝึกสติมันจะกระจายความทุกข์เขาเรียกว่ายาญสะตทิกรมายะความโศกความเศร้าหายไปความทุกข์ที่มีฝังอยู่ในใจกระจายตัวทุกขโทรมมาราซานังอัดทั้งขมาคมาความทุกข์มาลายหายไปอัดถังขะอัถังขก็คือดับมันดับมันแตกอัดถังก็ เหมือนพังคะนะั่นแหละมันพังออกไปไอ้ความทุกข์ที่รวมตัวก็เป็นหนึ่งเดียวพอเรารู้สึกตัวท่านเองเนะี่ยมันหายไปความรู้สึกตัวเกิดขึ้นหายไปมันจะหายออกหลุดออกหุดอกเรื่อย ๆ, ๆ, ๆที่มันมีนะเห็นไหมเราเกลียดใครชังใครแล้วมันจะฝังอยู่ใน ใ, นใจมันมีสอ ง, งนนะั้นเนี่ยในชีวิตคนเนี่ยคือรัชังกับรักชังกับรักไอ้ความชังนี่เกิดมาจากอะไรก่อนเกิดมาจากความรักมีความรักไม่ได้ตามปาตนะชังโลกไม่โลก โกรธความโกรธเกิดจากไม่ได้อย่างใจไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้เป็นอย่างใจคิดแนตะ่มันจะโกรธมันอยากทําลายจิตเนี่ยมันไม่พอใจมีสองอันนั่นเองทีนี้ปฏิบัติธทมเนี่ยมันจะเอาอันนี้ออกทุกขะโทมมณัตส่านังอัทั่งคมายนะทุกคือทุกกายพอทุกกายก้อาออกจากใจได้โทมมนัตทุกใจนะโทมมนัตทุกใจโสมนัตเนี่ยแปลว่าสุขใจ สมพระนัตเนี่ยแปลว่าอารามป่าเป็นที่สร้างความสุขให้เกิดจิตใจให้แก่จิตใจป่าอันเป็นที่น่ารื่นรมยินดีเนี่ยถ้าเป็นสมพระนัตพลารามพละก็คือกำลังรามก็คือที่อยู่ที่อยู่หรืออารามอันเป็นที่ทำให้เกิดกำลังในการทำให้เกิดสมมนัต สมันนั้แปลว่าความยินดีสมวันมันบาีเขาก็แปลว่าปีตินงั้นถ้าเราฝึกสติอันนี้ปุ๊บทุกโทมวันนันมาลายไปมันละลายมันละลา ย, ม, ละละลายมันสูญหายอันสุดท้ายคือนิพพานัสสะสัฉิกิริยายะจะทําให้พระนิพพานนี่มันแจ้งจะยิงพระนิพพานนีมีอยู่ในตัวคนทุกคน นิพพานคือสภาพที่มันไม่ทุกข์มันมีอยู่แล้วในคนอุปาทาวาภิกเวทาธาคาตานังอนุปาทาวาทธาคาตานังพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามพุทธสภาวะมันก็มีอยู่แล้วนิพพานก็มีอยู่แล้วมันมีตั้งแต่มนุษย์เกิดมานล่วนะเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนแรกที่ค้นพบทฤษฎีอเนี่ยค้นพบปรากฏการณ์อันนี้ คนพบสัจธรรมนี้แล้วท่านก็มาตั้งอจิกติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงอัตตาเปติปัญญาเปติบ้อมมา เ, เรื่องบัญญัติขึ้นมาว่านี่สตินะนี่ปัญญานะนี่สมาธินะนี่กิเลสนะนี่วิปัสสนุนีนี่วิปัสสนานะนี่เป็นญาณ น, นะเนี่ยย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแ จ, ง, จงเอามาเปิดเผยให้คนรู้บริจิตคนมีสภาวะนี้นะ สภาวะที่มันไม่ทุกข์มันเป็นนี้นะวิธีการก็ทําแบบนี้นะอุตานีกร ต, ววรติวิวรติวิปัจติย่อมเปิดเผยเนเนย่อมแยมแน่แจแจงตานีกรติย่อมทําให้เป็นเหมือนคานง่ายของที่คว่ําเนี่ยนี่มันคว่ํานำเปิดของที่ปิดใครจะรู้ว่าความคิดเนี่ยสามารถทํำลายได้ใครจะรู้ว่ากิาเลสตถานี่มันดับได้มันหายได้ เรื่องายของที่คว่ำที่ก่อนเราคว่ำอยู่เราไม่รู้นะแต่พอทํ า, าความรู้สึกตัวนี่มากเข้ากลับเป็นการว่าเอ้ยงายของที่คว่ําโอ้ข้างในมันมีอันนี้เน้ะเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าความรู้สึกตัวเนี่ยจะนําไปสู่ความรู้แจ้งไอความรู้สึกตัวเช่เฉยในน้อยเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาดวงตาท้าทายเลยว่าถ้าปฏิบัติธรรมมิธีอันเนี่ย นะัปฏิบัติทุกวันทุวันน้อยๆเนี่ยความโลภโกรธหลงลดลงลดลงการรู้เห็นนิพพานหรือการเห็นมรรคผลเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นเลยไม่ต้องเอานานนะโยมไปทํากลับไปพานทั้งสามสิบวันมันก็เริ่มเป็นแล้วยิ่งถ้าเดือนหนึ่งปีหนึ่ ง, นนงทำไปมันยิ่งดีขึ้นมามันยิ่งเห็นปรากฏชัดขึ้นมาเลยแต่วิธีการอื่นนะ่ะไม่มั่นใจปัญหาคือเห็นไหยนี่อย่างเรามานั่งเนี่ยมันก็เงาก็ง่วงสลึมสะลือเนี่ยะ มันไม่รอดเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมที่บ้านยิ่งไม่มีใครดูแลไม่พี่ใครเอาใจใส่ยิ่งง่วงยิ่งเหงายิ่งแย่ไม่มั่นใจนะหรือค่อนข้างจะมั่นใจว่าจะไม่รอดแต่เนี้ยรับรองอันนะนี้มันช่วยนะวิธีการเนี้ยมันช่วยช่วยให้เราตื่นตัวได้ง่ายแต่ถ้าใช้วิธีหลับเนี่ยมันจะหลับง่ายยิ่งหลับไปหลับมาก็เป็นนิมิตเป็นภาพประนั้นขึ้นมาคนจิตดีหน่อย เวลาไปทําเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิเลยเวลาทํำจะนิ่งไปเลยอ่ะแต่มันไม่ได้เริ่มจากความรู้สึกตัวไม่ได้เริ่มจากสติฉะั้นเวลามันนิ่งเนี่ยมันจึงเห็นเป็นภาพนิมิตอันนั้นเป็นภาพนิมิตอันนี้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่ามเป็นนอเป็นนี่มันเลยเพี้ยนไปอ่ะแทนที่จะเห็นสัจธรรมไม่เห็นสัจธรรมเห็นเป็นนิมิตเป็นภาพเป็นสีเป็นแสงเป็นนองเป็นนี่ไปอ่ะคนจิตดีจะเป็นเแบบนนั้นนะจะกลายเป็นสมาธิอุปทานนะ แล้วพวกหนึ่งก็ชอบตเตลิดเปิดเปลงไปเรื่องทรงเจ้าเข้าผีไปหรือเห็นธรรมะก็เห็นด้วยสมาธิแต่ไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาปัญหามันเือนเนี่ยดังนั้นเรามาปฏิบัติรรมาทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันเป็นธรรมชาติว่าจเจริญสติอันนี้มันจะทำให้ทุกข์หายไปความไม่รู้หายไป ทำให้ความรู้ปรากฏเกิดขึ้นยายะสะที่กมายะทุกมันกระจายตัวแล้วมันหลุดหายไปเป็นสัตตานังวิสุทธิยาเป็นสภาพธรรมที่มนุษย์ทุกคนที่ยังเป็นสัตว์อยู่เนี่ยคือยังมีเวียนไหวใจเกิดอยู่ในอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์นะแต่ถ้าสัตว์ตัวไหนที่ตั้งปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะมีตัวรู้อยู่ในตัวเขาเรียกโพธิสัตว์แต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้ว เอาพอจะสอนได้บอกได้บอกกล่าวได้นี่นีหน่อยไม่ตั้งใจเท่าไหร่ทำบางไม่ทำมาเขาเรียกว่าเวในยสัตว์แต่ถ้าปฏิบัตินะก็แล้วอะไรก็แล้วมีแต่ความคิดความปรุงแต่งมีแต่ทิฐิมานะลาคัตตหากล้าสอนอย่างลำบากเขาเรียกว่าอาภพภสัตว์หรือเรียกว่าอาภพภบุคคลทีนี้ฝึกอันนี้เนี่ยสัตว์ทุกประเภทนะโดยเฉพาะ มีแต่สัตว์มนุษย์นั่งสัตว์อื่นไม่ได้ดูก่อนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์นี่ไม่ได้หมายว่าหมูหมากาไก่นะหมายถึงมนุษย์นี่แหละมีสัตว์มนุษย์ทั้งเดียวตัวเดียวตั้นเองที่จะรู้สึกตัวได้มนุษย์ประเภทเดียวตั้นเองที่จะเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมมนุษย์ประเภทเดียวที่จะบรรลุธรรมเราสังเกตดูดิสัตว์มนุษย์เดียมันสามารถออกจากความโลภโกรธหลงเป็นแต่สัตว์ประเภทอื่นเนี่ออกไม่ได้มันทําไม่เป็น อ้าวนั่งทับโซนนี่เวลา ง, ง่วงมาเท้าท่านี้นี่ฝึกเอาเรียนรู้เอาอย่านั่งเฉยเฉยแต่มันหลับมันง่วงมันง่มันเบื่อมันนายนั่งพ้าเพียบซ้ายพ้าเพียบขวาทำให้มันเป็นทำอะไรก็ได้ขอแต่ให้ทำความรู้สึกตัวไปด้วยกินรู้สึกตัวนั่งนอนคู่ขาเหยียดขาน้ให้มันรู้สึกตัว คนบางทีไม่ค่อยทนนะถ้าทนต่อความเจ็บความปวดความเมื่อยสัหน่อยอาจจะพบความลับของชีวิตในนั้นได้แต่เนี้เราไม่อยากสู้ไม่อยากฝึกไม่อยากฝืนคิดว่าธรรมะนี่ยมันอยู่ตือนตื้นเลอนิพพานนี่มันง่ายๆเลยเหรอไอ้เอพราะมันง่ายๆนี่แหละคนไปหาฝึกฝนมาจึงไม่เห็นว่าไปไหนมาไหนสักทีอะพอเราคิดว่ามันง่ายเกินไปมันขี้เกียจมันไม่จริงไม่จังกับมันดังนั้น ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังความบริสุทธิ์หมดจดจะไม่ปรากฏแก่จิตของเราเองที่ยังเป็นสัตว์อยู่เนี่ยสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายของจิตเรามันไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันไม่เห็นคําสอนพุทถศาสนาละชั่วทําดีชั่วในี่ใครก็ไม่ทําอยู่แล้วลเห็นอยู่แล้วเขาเข้าใจว่ามีประโยชน์แน่ๆทำดีนี่บางคนก็ทําบางคนก็ไม่ทํา นะทางไปสู่การทำความดีมีเป้าหมายคือทำให้เกิดกุศลและจิตมีสิบแบบเขาเรียกว่ากุศลกรรมบทได้แต่ทานศีลภาวนาความเชื่อความศรัทธาความปิดความวางเรสารพัดนะมากมายแต่ว่าคำสอนที่สอนให้ทำจิตให้สะอาดนะ สจิตตะประโยชน์ถ้าปนังกันชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุท ธ, ธานัเสสนันตินี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าและชั่วทําดีทําจิตให้มันผ่องใสชําระจิตมันไม่ค่อยทํามาเนี่ยเวลาไปนั่งกันนั่งไม่ได้ชําระจิตเนี่ยอันนี้คือใจถ้าไม่เทน้ำเข้าไปล้างน้ํามันจะออกหรือเราก็ค้ามขันไม่เป็นขันห้าเราเราทําไม่เป็น น้ำมันต้องผ่านในนี้มันถึงสะอาดหมุนไปหมุนมาหรือทํานี้ไว้ให้น้ําไหลผ่านเหมือนกันมันคิดกระช่างว่ามันปฏิบัติทำเรื่องคิดกระช่างรู้สึกไปเรื่อยเรยเรื่อยเรยมันง่วงก็เห็นไ่มมันง่วงทําให้มันหลุดออกไปเรื่อยเรื่อยหลุดไปเรื่อยเรยล้างไงล้างใจปฏิบัติการล้างใจตัวเองไม่ใช่ทําให้มันนิ่งนะถ้านิ่งมันจะขึ้นตะกรนตะกลันน่ะเนี่ยเป็นตะไคร่น้ํานะมันจับ นันคนชอบไปนั่งสมาธิไปวิ่งนิ่งอย่างมากก็คิดถึงแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องอะไรไม่ที่นี่ไม่ต้องไปยุ่งกับวันนั้นรู้สึกตัวเฉยเฉยง่วงก็ช่างเบื่อก็ช่างขี้เกียจก็ตามงงงิดอึดัดขัดเคืองอะไรก็ตามอยู่กับปัจจุบันเลยลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยมันจะแจ่มใสขึ้นนะอนุมโมทนานะกับท่านทั้งหลายที่อุตส่าปีใหม่สองพันหร้อยห้าสิบห้ายังมาตั้งใจนับถอยหลังน่ที่วัตสมมานั้นเนี่ย เรานับถอยหลังแต่เราจะเดินไปข้างหน้าเราจะไม่นึกถึงความภูมิใจในอดีตว่าเราเกิดมามีสุขสบายชีวิตนีผ่านมาปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยไม่มีทุกข์ลวกูเนี่ยรอดมาได้แต่มันจะตายเพราะวันกินเลี้ยงมันนั่นแหละแต่ที่เราไม่มาเพิ่มพูนสติปัญญาขอบคุณขอบคุณกับที่มีพุทธะรักษาตัวเองกูมีสตินะเนี่ยกูถึงรอดไม่ได้เนี่ยดาเนินชีวิต มาเฝ้าดูปุ๋ยมองย้อนกลับหลังนี่ยิ่งถ้าปฏิบัติทำจนทั้งเกิดอตีตังสยานนะและลึกรู้อดีตว่าเราไปทำอะไรมาบ้างอะไรที่เกิดความผิดพลาดมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ทาอีกแล้วนะปัญหาชีวิตเป็นไม่เอาละเนี่ยมีอตีตังขตังสยานถ้าฝึกสติดีๆมันก็จะเกิดอนาคตังสยานแต่ยานไม่ยานก็ตามในต้องเกิดจากความรู้สึกตัวนี่ แต่ไม่ได้เกิดจากความคิดคนไหนที่ชอบคิดเอาเนี่ยเลิกนะปฏิบัติทำเนี่ยนะเป็นอาจินไตชาญวิปัสน า, าตายแล้วเกิดการรู้แจ้งวะเนี้ยตายแล้วศูนหรือชีวิตชาญนิจชาแนววเนี่ยพวกเป็นอาจินไตความรู้พวกนี้ไม่สามารถที่ใช้ความคิดมาคิดได้สุตรมัจปัญญาฟังเอาเหมือนเข้าใจนะ พอเข้าใจปุ๊บโอ้น่าเลื่อมใสเอาไปทํางานมันมีอยู่แค่นั้นสุดแต่ไมยปัญญาจินตามียปัญญาก็คิดพิจารณาเพิ่มเติมคิดพิจารณาหาเหตนะุผลได้ซะน้อยมันจะอยู่แค่นั้นแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยมันจะเกิดจากภาวนาภาวนาไม่ใช่บริกรรมนะภาวนาแปลว่าการเรียลึกรู้ การเฝ้าดูการอบรมบ่มเพราะจิตนั้นจิตเนี่ยจะต้องไม่ให้มันวิ่งออกไปอย่าให้มันวิ่งออกไปข้างนอกค้โ น, น้นนี่เราอบรมระบมคือเอาสติมาบ่มมันเห็นนะว่ามันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ออกไปมันรู้สึกตัวอยู่มันง่วงนะตอนนี้ง่วงก็รู้สึกไปเรื่อยๆมันเหงาเหงาก็รู้สึกไปเรื่อยๆมันเบื่อมันหนาวมันคิดถึงบ้านก็ช่างหัวมันลึกๆรู้ไปบ่มไปบ่มไปเพราะไ ป, ไป ม, มาเดี๋ยวมันก็แตกกระจายออกมานะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์นี่เหมือนไก่ ที่มันฟักไข่เป็นไก่ตัวแรกที่มันเจาะ ก, กระป๋องฟองไข่ออกมาเป็นไก่ตัวพี่นะรู้วิธีละถ้าจะออกจากฟองไข่เนี่ยออกยังไงคือรู้วิธีออกจากตันหาราคะนั่นเองชีวิตเราก็เหมือนกันที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่เราม า, าวิธีออกจากทุกข์อันนั้นถ้าเราบม่มเพราะอบรมไม่เป็นเราก็จะจมอยู่นั่นแหะพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองนะบรรลุอราหันต์หรือไม่ก็พระอนาคามีแต่ของเรานี่ไปปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วเนี่ย นั่งถือพุทธศาสนามากี่ปีแล้วจนจะตายแล้วแต่ละคนเนี่ยอายุมากจะตายเน่าเข้าลงเรายังไม่ได้ก้าวหน้าเลยยังไม่ปรากฏว่าเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงหรืออย่างน้อยเส้นทางการเห็นทำเกิดปิติเกิดสมาธิเกิดอะไรสักหน่อยพอรู้ทางก็ยังไม่รู้บรรทุกที่มันดับยังไงเนี่ยมันมีความสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่ามายกมือสร้างจิวิามันจะเป็นไม่อะประมาณนั้นคําสอนพระเจ้ามีจริงหรือมันตายกับพระพุทธเจ้าไปแล้วมันไม่น่าจะมีนะพันปีแรกมีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้ นะ 5, ปุณสสารนิ่ห้าพันปีพันปีที่สองสองพันปีต่อมาเนี่ยเหลือแต่พระอนาคามีสามพันะ 3, ปีต่อมาเหลือแต่พระสกิทาคามีสี่พันปีเหลือแต่พระโสดาบันห้าพันปีสภาพอริยบุคคลโหดหายเหลือแต่โคตรภูสงพระเหลืองน้อยห้อยหงอทนเองแต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไหม ตอนนี้อายุพุทธศาสนาเข้าไปสองพันรอปีแล้วพระรหันหายไปพระนาคามีหายไปเริ่มพระสิกขาคามีมีนิดๆหน่อยๆเขาว่าแต่พระรยบอกว่าอย่างนี้ว่าตราบใดก็ตามที่มีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบยังเหลืออยู่ผู้ใดยังสมาทานฝึกฝนในตรสิกขาอยู่ตราบนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระรหันพุทธศาสนาเป็น ากาลิโกยิ่งปฏะวัติพรศาสนาไม่มีเวลาไม่มีการไม่มีเวลาแล้วคําสอนที่บอกว่าพระศาสนาอายุห้าพันปีมันมาจากไหนจริงๆไม่มีคนมันมาสมมุติเอาเฉยๆเพราะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะในตาราจะมีบอกว่าอานนท์ทำไมเธอขวนขวายให้ผู้หญิงเข้ามาบวชในธรรมวินยัยนี้เกินเลอกเกินนะ ข้าแต่ผู้เจริญผู้หญิงในบรรลุทำไม่ได้หรือผู้ยวว่ำบได้ถ้าได้ก็ให้นางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยได้บวชได้ปฏิบัติธรรมบ้างเธอพระเจ้าสุทัตตะตายแล้วกรุงก บ, บินลพัดเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะดูแลไม่สนใจอยากประพฤติปมาจันอยากเห็นที่สุดโทุกเหมือนที่พวกเรารู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ควรจะ เมตตาท่านบ้างท่านก็ดูแลท่านมานานพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอย่างอนุอ น, นไม่ใช่เราไม่อยากให้เขารู้นะไม่อยากให้เขาบวชนะถ้าเขาไม่บวชก็ได้เขาอยู่ทางโลกนะเขาปฏิบัติธรรมเอาเขาบรรลุธรรมเหมือนกันนะแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เขามาสู่ความเป็นภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ศาสนาของตถาคตที่มันจะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชเนี่ยสมมติว่า ศาสนาตถาคตมีอยู่หนึ่งหมื่นปีถ้าภิกษุณีเข้ามาบวชมันจะลดเหลือห้าพันปีมันจะเหลือห้าพันปีแล้วในที่สุดพระอนุนก็ขวนขวายจนกระทั่งว่านางประชาบดีกับนางสาเกียรตมีบริวารอยู่สิบเจ็ดคนที่เป็นภิกษุณีรุ่นแรกนี่รวมกับนางประชาบดีเข้ามาบวชเป็นสิบแปดคน เขาจึงยึดถือเอาตามนั้นว่าเออพระบริยว่าถ้าสมมติว่าท่านสมมุตินะแต่ตอนนี้เราว่าเข้ามาบวชแล้วพอเขามาบวชแล้วศาสนาพุทธน่นาจะอยู่ห้าพันปีแต่พุทธศาสนาพุทธธรรมนี่ยเขาว่าเป็นอการิโกนะมันไม่ประกอบเวลาเป็นการหรือไม่รูปลักษ์ขอแต่เท่าเราทําความรู้สึกตัวทันี้เราสังเกตกายหรือสังเกตเวทนาที่เกิดขึ้นดูอยู่ตรงเวทนาดับ สังเกตจิตคิดไม่คิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจทั้งว่าเป็นอันนี้จังอานาตตาได้เมื่อไหร่พุทธภาวะก็ปรากฏขึ้นตอนนั้นน่ะนั้นมันไม่ได้ถึงกับยากแต่มันไม่ถึงกับง่ายมันยากสหรับคนปัญญาถอยแต่มันก็ง่ายสำหรับคนปัญญาดี ปัญญาดีก็คือหมายว่าควบคุมตัวเองให้อยู่กับการดูนี้ให้ได้ให้มันแจ้งมัชัดให้ได้ไม่ใหความห่วงความเงาความเบื่อเข้าไหนเขามายุ่งกับจิตเราให้ได้เนี่ยถ้าฝืนบ่อยๆเนีย่ยทํำไมมันจะไม่เป็นนะแต่เนื่องจากว่าเราติดกิเลสอาสวะมานานกว่าจะมารู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันลืมมันมชอบไปกับความคิดเหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะมันไปติดเที่ยวแต่เกิดมาไม่เห็นน่ยแต่มันไปเจอเท็กซะหน่อยนะโอ้ตายเลยเดี๋นี้ไปอาสีทุกวักวน เที่ยวต่ไหนนะมันไปเที่ยวไปเล่นแม่ก็บอกอยู่บ้านเถอลูกอยู่บ้านเถออยู่บ้านปลอดภัยเดี๋ยววันหนึ่งมันหัวล้างข้างแตกมาเดี๋ยววันหนึ่งรถชนมาเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นเกาะถนนมาบางทีถูกน้ําท่วมเข้าไปอีกตายมันเสียใจนะเสียใจเพราะน้ําท่วมที่มันไปเที่ยวมันไม่มีที่เที่ยวแล้วเสียใจที่มันไม่ออกมาจริงจรมันเป็นที่จิตมันนะเป็นที่จิตมันไม่ได้เกิดจากพวกนั้นซะหน่อยแต่เราบอกให้มันอยู่บ้านอยู่บ้านสิปลอดภัยมันไม่อยากอยู่ แล้วทํายังไงจะบังคับให้มันอยู่ได้ไม่มันไปเที่ยวได้ต้องให้พอใจบางทีก็ต้องผูกไว้เนี่ยท่านทั้งหลายเอาจิตมาอยู่วัดเดี๋ยวเนี้ยเอาจิตมาอยู่วัดเจ็ดวันปีห้าห้าเดือนมกราวันที่หนึ่งแล้วเนีวันนี้วันที่หนึ่งแล้วดีใจด้วยกับชีวิตรอดตายมาได้เนี่ยแต่จะเอาไปทําอะไรล่ะชีวิตนเนี่ยได้มาจะเอาไปทําอะไรมั่นใจเลยแล้วว่าเป็นของกูชีวิตนีเป็นของกูนะเนี่ย กูแล้วทำไมไม่อยากแก่แล้วมันแก่ไม่อยากเจ็บแล้วทำไมมันเจ็บบังคับด้วยไม่ได้แสดงว่ามันเป็นโดยธรรมชาติมันดินั้นคุณไ่ฝืนคุณอยากได้สุขจากไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายมันจะมีให้เหรือมันไม่มีให้มันเป็นธรรมชาติมันแสดงว่าภาวะที่เกิดขึ้นก็เป็นความหลงเด็ใช่เกิดเป็นความหลงเราหลงอาการหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอ่ะมันเข้าไปในมันเนี่ย เขาไปในเริ่มยังไงเริ่มจากความคิดไงมันติดอยู่ในความคิดว่าเป็นตัวกูของกูมันก็เลยเข้าไปนั่นดึงมันกลับมาที่มาอยู่กับการฝึกดิลูกชายเราไม่ให้มันไปเที่ยวดูดิอย่าไปเที่ยวนะอย่าออกไปข้างนอกนะเข้ามาข้างในมาอยู่ในนี่อยู่ในนี่ปลอดภัยอยู่ข้างนอกเจ็บใจนะอยู่ข้างในปลอดภัยนะดึงมันว่ามันก็ไม่อยากมาเพราะมันเคยติดไงเคยไปเที่ยวมันเคยไปกินขนมเนี่ยเคยไปกินของหวานมันก็ต้องไปกินอยู่นั่นแหละ มันติดอกติดใจเพราะมันเนไปมันก็เงียนเดินอย่างไรดีมันติดเนี่ยมันคนติดกาแฟเน่ะเดินผ่านมันก็หอมมีมิหมดทุกอย่างแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นแต่พอมันไปติดแล้วมันติดจิตก็เหมือนกันน่ะมันไปแปะเพื่อนเอากิเลสอาสวะเข้ามามันรู้สึกมันติดอกติดใจมันไม่ยอมปล่อยอมวางมันคิดถึงเรามาที่นี่มาฝืนมันนะลืมตาขึ้นโย่ม เริมตาขึ้นหองไกลๆอีสโนยเนี่ยพวกหนึ่งจะฉลองปีใหม่แล้วเปิดบุ้มบอมบุ้มบอ ม, มมื่อสุกเขาไม่รู้จักะไม่รู้จักคําจิตให้มันสงบต้องปล่อยวางอะไรเงีไม่รู้นะต้องทําให้มันบ้าด้วยรูปด้วยรสด้วยกิ่นด้ยเสียงะขณะนี้เราก็ยังหลงไปอยู่เพราะไม่มีสติดูแลทีนี้มันยังมีความรู้สึกโยฟังดีๆนะตรงเนี้ยี่ดีๆชาวโลกนะ เราจะให้มันเพลิดเพลินไปกับรูปรถกินเสียงมันก็เพลิดเพลินไปแต่บางกันมันแต่มันเพลิดเพลินไปนี่มันไม่สะใจเพราะมันยังมีความรู้สึกละอายอยู่ยังมีสามัญสำนึกในความเป็นคนอยู่อะเหมาะสมไม่เหมาะสมทําไงล่ะเอาเล่ามาเทเข้าไปกอกเล่ากอกยาเข้าไปให้สติมันตายไปไอความรับผิดชอบชั่วดีนี่ตัว super ego ทําลายมันซะไม่มันมีอะเหลือแต่อัตตาทีเนี้ กูเมาแล้วกูไม่เมากูไม่เมาเนี่ยเอามาอีก เ, เห็นไหมก็คือทำลายมันซะไอตัวที่มันรู้เรื่องเนี่ยมันเข้าใจจิตวิญญาณทำให้มันบ้ามากๆตั้งใจทําดีๆเอไปทีจะไปบิดหูเอานั่นเนี่ยทาให้มันตื่นตัวมันเข้าไปอยู่ในความม่วงเดี้ใจะให้ออมไข่คนละฟองละฟองใข่ทาไข่แตกใส่ปากปรับไข่ลูกละห้าร้อยบาทเนี่ย ทำจิตให้ตื่นทำใจให้สบายหลายหลายคนนะวันวันพีใหม่เนี่ยเขาไปทําบุญไปให้ทานเพราะคุณูนใจตัวเองใี่สูงขึ้นรู้ส่วนทำบุญต่ออายุนะทำบุญอยู่วัยยุคดำให้มันใจดีๆนั่นแหละคนไม่ใจดีมันจะไปทําได้เลยทําไม่ได้แค่ตื่นให้ดันเวลานะคือจะไม่ตื่นแล้วเนี่ยถ้าตื่นออกมาจะนัดไปเที่ยวไปกินละความคิดมานนะคือทําลายสติปัญญาตัวเองะวันเนี่ย วันปีใหม่นี่วันที่คนทําลายสติปัญญาแล้วคนจะกลายเป็นศพว่าหายคนน่ะเพราะอะไรเพราะขาดสติขาดปัญญาเนี่ยแล้วนั้นอยู่ที่วัดนี่บ้านหลวงพ่อพุทธทาสวันเกิดของท่านลูกศิษย์ลูกหาไปเต็มบัดเขารู้ทันทีนะวันเกิดของหลวงพ่อพุทธทาสไปร่วมงานท่านก็ย้อนลึกอดีอดตอดีตกูเป็นยังไงอ่ตอนเกิดมานี่เอาแก้ผ้า ไม่ได้นุ่งบ่าไม่ได้มีชุดสวยๆงามๆอ้าวก็ไม่ใส่มันละเอเคพอปกปิดตัวเองอาหารเกิดมใหม่ๆมันกินไม่งไม่เป็นน่ะมันไม่ได้กินท่านทําไงไม่กินข้าววันเกิดท่านนะวันเกิดท่านไม่กินข้าวควรไปร่วมงานก็เหมือนกันใครไปร่วมวันนั้นไม่มีข้าวกินไปปฏิบัติธรรมท่านพุทธท่าน่ะไม่ได้กินข้าวนะ วันเกิดท่านย่อเย้ยมันน่ะเขาเรียกว่าวันยอะเย้ยวันเกิดท่านเรียกว่าปฏิบัติการล้อชีวิตล้อเลียนมันน่ะของพวกเราวันเกิดกินแหลกวันเกิดกูเที่ยวแรกเอาเมาแหลกดูดิวิถีชีวิตของนักปราชญ์กับของพวกเราเองมันไกลกันมากพอเราตายไม่มีในสารระบบเลยลูกหลานก็ไม่ได้กล่าวถึงแต่ท่านพุทธ เขาบรรจุอยู่ในน่นองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลดีเด่นแบบโน่นแบบนี้เนาะ น, นะดูดิวิถีชีวิต น, นักปานท่านไม่กินข้าวเสียนาสนะล่ะเอาวันนั้นเป็นวันที่อยู่ร่มไม้ปฏิบัติการเดินตามรอยพระเจา้าพระเจ้าอยู่ร่มไม้ก็อยู่ใต้ร่มไม้นั่งภาวนาข้องไขของมันมีแต่ขวดน้ํานะใครไปร่วมงานวันนั้นไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะ ก็คือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองไม่กินข้าวเหมือนด้านหนึ่งวันวันเกิดนะะไม่ได้กินข้าวแทนที่เราจะไปเลี้ยงไม่มีไม่ได้เลี้ยงไม่ได้กินอย่ารักษาโรคปัจจัยสี่ตัวหนึ่งนะวันเกิดถ้าเราตั้งใจปฏิบัติดีก็ไม่มีโรคไปใข้เจ็บถ้ามันมีโรคไปใค้เจ็บก็ทางพระนี่ว่าให้ฉันยาดองด้วยน้าเยลฉันน้าเ ย, ยว แล้วสุขภาพจะดีเนี่ยแต่ละโอ้ยแต่น้ า, นาเยี่ยวคนภาษาเนะคนมีความรู้นั่นนีน่ี่มันก็ไม่กินนะแต่พุทธิย่อเป็นผู้รู้มากก็ บ, บอกว่าฉันยาดองด้วยนะ้ำมูด์เน่าอย่าลืมนะเป็นยามหาวิกต์อย่าโยมก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าคนไหนมันไม่ได้อารมณ์ไม่น่ า, าว่าเราไม่ได้สมาธิว่ะดื่มน้าเยี่ยวสักสองจอกนะแล้วตัวจะเบาขึ้น ท, ทีเีย ถ้าอยากเหาะได้ก็กินหนึ่งคู่ถังคงจะได้เอา้าฝึกฝืนมันเป็นการทําลายอัตราตัวตนไงกูไม่ใช่คนพิเศษนะเนี่ยในร่างกูทั้งหมดมีแต่น้ํามีแต่ขี้มีแต่อะไรนะมีอยู่แค่นั้นนี่ก็เป็นหนังหุ้มขี้นั่นเองไม่ใช่ตัวกูตัวมึงไม่ใช่ของกูของใครอ่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วเราจะมีอัตร า, าตัวตนทําไมเรื่องของกูของมึงอะไรนี่มาโกรธมาเกลียด ม, มายึดมั่นหรือมันอะไรเป็นธรรมชาติเฉยเฉยเนี่ย นั้นเวลาปฏิบัติธรรมอันี้เขาบอกเหมือนไงยของที่ความเปิดของที่ปิดเราก็จะเห็นเลยชีวิตมันเป็นแค่นี้เองมันไม่มีอะไรนอกนั้นเราไหลไปตามสมมุติเฉยเฉยอ่ะสามร้อยหสิบห้าวันในไหลยอยู่กับสมมุติทั้งหมดเจ็ดวันเนี่ยเอามาพลิกชีวิตหาตัวเองไม่แน่นะักบางคนอาจารย์สี่สิห้าสิบหกิบปีเพิ่งได้มาพลิกใจตัวเองนะที่ผ่านมาก็คือยังไงล่ะไม่ได้พลิกทับมันไปเรื่อยๆทับเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนั้นกว่ามันจะพลิกวุบ ข, ขึ้นมานี่มันจะยาก ไปดูภาพเสซนเขาเขียนว่าถูกสัญญาทัพนะนะเป็นพระเลยหรือเป็นโยมก็ตามแต่เขาทําตู้พระไตรปิฎกทับหัวเอาพวกอ่านมากพว้เรียนรู้มากปกฟังมาเยอะนะพวกฟังมาเยอะเขาก็ทําแผ่นซีดีทับหัวอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการฟังการอ่านการศึกษาอะไรเนี่ยเพียงแต่รู้เฉยๆฟังนิดๆหน่อยเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยแล้วไปทํานั้นรู้ตัว มาฝึกเนี่ฝึกสติให้มันเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้มันรู้ตัวเป็นบางครั้งอันนี้อีกสม่ำมันก็ลืมและ้ละเวลามันง่วงมันก็ลืมแล้วเวลามันคิดมาก็ลืมและ้ะมันไม่รู้รู้จนทะลุความคิดได้เนี่ยทํางานในนั้นไม่ได้สติสัมปชัญญะเราท่านต้อรู้จักฝึกรู้จักฝืนนะคนไหนนั่งขัดสมาด์นั่งขัดสมาธิดีในง่วงตายห่าละตั้งใจฝืนฝึกคนไหนผ่านหัวง่วงได้ไวก็ยิ่งดีเอาบอกเคล็ดลับให้ วันไหนที่เราง่วงมากมากง่วงจะจัดเนี่ยวันนั้นแหละถ้าเราทะลุอันนั้นไม่ได้ก็เราก็จะรู้แจ้งวันนั้นน่ะในที่เราเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาใช้สติหน่อยใช้โยนิโศหน่อยพิจารณาดูหน่อยที่มันมายังไงเนี่ยแอบดูมันดิมันเกิดยังไงมันดับยังไงวันนั้นแหละวันแห่งการสิ้นพบสิ้นชาติของท่านจะปรากฏเกิดขึ้นวันไหนที่มันง่วงมาก ม, ามาเราจะส่งมันไปเกิดซะ ตัวง่วงเนี่ยตัวคิดมากมากวันนี้ทำไมมันคิดมากจยางกูจะส่งมึงไปเกิดซะวันเนี้ยก็คือต้องมีพระขันเพชรนะต้องมีวชิระธรรมวชิระธรรมธรรมที่เข้มแข็ ง, แ ข, งแข็งแรงประดุดดังเพชรที่นั่งของพระพุทธเจ้าที่ต้นโพนะเขาเรียกว่าวชิระอ่านที่นั่งของคนใจเพชรใจเพชรคือต่อสู้ไม่ฝึกไม่ลุก ไม่เดินไปเดินมาตั้งใจจะถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยถ้าสู้เก่ไม่ได้จะตายก็ตายมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่หรือไม่ก็ตามทําให้บรรลุประโยชน์นี้แล้วจกหยุดความเปลี่ยนของตนเสียเป็นไม่มีดังนี้เวลาเราวนเพชรเนี่ยมัแล้วมันขีดกระจกเนี่ยแกนะ้ยังเอาอื่นเอาดินส อ, อปกกาขีดมันไม่ขีดไม่แทงแต่ใช้หัวเพชรขีดมันแก้แล้วเราเคาะป๊อกเงินเดียวแตกป๊าบไม่มีร่องรอยเลยนะแตกเป็นระเบียบมาก ท่านสติเราก็เหมือนกันนนะี่ะไอ้รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวว่ามันคมมากเนี่ยกิเลสมันขาดไปตอนไหนไม่รู้ด้วยซ้าไปมนะันแจ้งกันมาแต่ถ้านี่มันก็จะรู้สึกตัดทีละน้อยตัดทีละน้อยงัดไปเหมือนเอาคีมงัดเอานะ่ะงัดกระจกนะ่ยนั้นมันต้องเป็นแบบหัวเพชรต้องเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาแบบคนเด็ดขาดใจก่อนแจ้งขาดไปเลยได้ นั่ฝึกฝืกฝกนเอาวันไหนที่ง่วงมากๆถือว่าเป็นบุญกุศลของท่านแล้วที่ท่านที้ง่วงมากแต่ท่านอย่าลืมรู้สึกตัวเยอะอย่าไปนอนตื่นมาแล้วเนี่ยเด็ดขาดเลยอย่าไปนั่งเหงานั่งง่วงจำลองไม่ตายวันไหนมันฟุ้งซ่านคิดมากๆพยายามรู้สึกตัวมากๆมาเมื่อเข้ามาัเข้ า, า, เ, ขาเดี๋ยวมันจะแจ่มแจ้ ง, งขึ้นมาของมันเองอ่ะเดี๋ยวมันทะลุไปได้ตั้งใจนะมันจะให้ไปปัดไปกว่าทําความสะอาดวัดว่าวาดสัก ไปเข้าห้องน้าห้องธายี่สิบนาทีปัดกวาดนะตั้งแต่ถนนนี่แหละพระท่านจะพาไปหรอกถนนที่ปัดกวาดทำขัข้นสระธรรมะของใครของมันตั้งใจทําแล้วจะคุยกันทําให้ได้เยอะๆเวลาทํำก็รู้สึกไปด้วยรู้สึกไปเอาจิตเขาเรียกว่าการจเจริญสติกับการทํางานการที่ทําเนี่ยเป็นการชําระอัตตาตันไม่ใช่ที่ของเรานเนี่ยแต่เราก็ทําทําแบบอะไรก็ตามนี่ยที่ไม่ได้เป็นค่าจ้างรางวัลไม่ได้วิ่งของเราเนี่ย เราทำได้ไหมมีจิตอาสาเกิดขึ้นไม่ทำด้วยเอาบุญเนี่ยทำเป็นไหมถ้าทำไม่เป็นนะบา ร, รมีศรัทธาวิทยะสติสมาธิมันไม่ค่อยเสริมกันนะมันกันจะเกิดปัญญาก็เกิดยากทั้นฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนตัวเองนั่นแหล ะ, ะทำคํามสเตรียมตัวนะนั่งคู่เขา